นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับเริ่มด้วยเรื่องของนายพลานโกกะนะครับกรรมทันตาของนายพรานโกกะ เรื่องเกิดขึ้นสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่พระณพระวิหารเฉตวันกรุงสวัสถีทรงปราบรเรื่องราวของพรานใจโหดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกกะซึ่งมีจิตเป็นอันตพันเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์สาวกซึ่งเป็นผู้ไม่ได้มีจิตเจตนาเป็นพิษภัยต่อใครแล้วแล้วบาปกรรมที่ในพรานรายนี้ลงมือกระทาก็ได้ส่งผลร้ายแก่ตัวเขาเองแบบทันตาเห็น คือเช้าวันหนึ่งนายพรานจอมโหดผู้มีชื่อว่าโกกะเนี่ยถือธนูแบกสะพายสัมภาระเครื่องล่าสัตว์ออกจากบ้านพร้อมสุนัขล่าเนื้อฝูงใหญ่ของเขาในพรานโกกะก็เดินดุงมมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ด้วยหวังตั้งใจจะพผลนชีวิตเอาเลือดเนื้อของสัตว์มาบริโภคแล้วก็ขายแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองหากแต่ว่าระหว่างทางที่ไปสู่ป่านั่นเอง นายพรานก็บังเอิญได้พบพระภิกษุสากยบุตรรูปหนึ่งซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาตอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นแทนที่นายพรานจะมีจิตเลื่อมสาศรัทธาต่อผู้สงสีนเขากลับรู้สึกโกรธแล้วก็อารมณ์เสียอย่างมากพรางก็นึกคิดแล้วก็บ่นพุมพำกับตัวเองเฮ้ยพึ่งจะออกจากบ้านมามาพบคนกาลกินีซะแล้วอะแย่เว้ เข้าป่าวันนี้ทั้งวันเห็นทีจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาหรอกพรานโกกาก็นึกบนด้วยอารมณ์ขุนเคืองเสร็จแล้วก็พาฝูงสุนัขเดินเบี่ยงทิศทางหลบเลี่ยงหลีกหนีไปให้ไกลจากรัศมีอันสงบสุขและร่มเย็นของผ้ากาสาวัตเขารีบเดินเร่งฝีเท้าเข้าสู่ป่าอันหนาทึบอย่างรวดเร็ว กลาวถึงพระเถระผู้ทรงศีลรูปนั้นท่านพำนักและบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลชุมชนอย่างมากเมื่อเที่ยวบินทบาตในหมู่บ้านและทําพัฒิจเสร็จแล้วได้เวลาก็เดินทางกลับสู่วิหารที่ท่านพำนักข้างฝ่ายในพรานโกกะออกจากบ้านเข้าป่าเที่ยวหาล่าสัตว์แต่เช้าเดินตระเวนลัดเลาะ สอดสองด้อมมองหายิงสัตว์จนตะวันเลยเที่ยงคล้อยบ่ายแล้วก็ยังไม่ได้แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรสักตัวป่าทั้งป่าก็ช่างเงียบสงัดเหมือนกับร้างไร้สัพพชีวิตวันนั้นทั้งวันไม่ปรากฏแม้งเงาสัตว์ป่าสักตัวเพลินผ่านผ่านมาเป็นเหยื่อลูกสอนอาบยาพิษของเขาบาังเลยยิ่งเดินเข้าป่าลึกก็ยิงไกลยิงเดินไกลก็ยิงเหนื่อยหน้าเบื่อนายเพราะมันไม่ได้อะไร ในป่าไม่มีสัตว์ให้เขายิงในพรานโกกะก็เลยถอดใจไม่ไปต่อหันหลังกลับพาผูงสุนัขเดินลัดตัดออกสู่เส้นทางน้อยเพื่อกลับบ้านของตนแต่แล้วเหมือนค้าดินหยิบยื่นโอกาสทองมาให้แต่ในพรานโกกะกลับไร้วาสนามองไม่เห็นคุณค่าของโอกาสสุดวิเศษนั้นเลยระหว่างทางที่พรานจอมโหดผู้เหนื่อยหอบใช้สัญจรผ่านเพื่อจะกลับบ้านแบบมือเปล่านั่นเอง รสมีอันชุ่มเย็นและสงบสุขของภ้ากาสสวพัดที่คุณพระอากุณเจ้าภิกษุสักยบุตรสวมใสยก็ปรากฏในสายตาของพรานโกกะอีกวาระหนึ่งโดยพระกุณเจ้าภิกษุที่พรานโกกะเห็นในขากลับนี้ก็คือรูปเดียวกับที่เขาบังเอิญได้พบในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าป่าหาล่าสัตว์อีกด้วย นายพรานเมื่อได้เห็นประจักษ์แกตาตัวเองอย่างนั้นก็ครุ่นคิดด้วยอารมณ์สุดจะเครียดแค้นชิงชงังต่อพระผู้ทรงศีลเฮเมื่อเชา้านี้กูก็พบคนกาลกินีผู้นี้แล้วเข้าป่าหายหิงสัตว์อะไรก็ไม่ได้สักตัวพอวกกลับจะคืนหมู่บ้านไอ้คนชิบหายรายนี้ก็เสนอหน้ามาให้เราเห็นอีกแล้วมานี่มันจงใจยั่วโทสะกันชัดๆเลย จะอะไรกันนั ก, กนหนาถึงตามราวีและคอยรังควานเราไม่เลิกเอาละคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะเอาคืนบ้างเราจะยุหมาล่าเนื้อทั้งผูงเราให้กัดขยํำพระภิกษุรูปนี้เสียเมื่อคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นแล้วพรานโกกะจอมโหดก็ให้สัญญาณยุส่งแล้วก็ไล่ต้อนผงสุนัขให้เข้ารุมล้อมและไล่กัดพระคุณเจ้ารูปนั้นทันที ฝ่ายพระเถระผู้ทรงธรรมเมื่อเผชิญหน้ากับมหาภัยจากคุณอันทพานอย่างนั้นท่านก็รีบหลบหลีกและป้องกันตนเองอย่างถึงที่สุดแล้วก็ได้อ้อนวอนทั้งเอ่ยถามนายพรานชั่วร้ายบอกโอ้โยมโยมอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนี้กับอาตมาภาพเลยเราไม่ได้มีเวรภัยอะไรต่อท่านนะหากแต่ว่าเมื่อนายพรานโกกะได้ยินพระบอกอย่างนั้นเขากลับตะโกนก้องร้องบอกอย่างฉุนเฉียวทีเดียววันนี้ทั้งวัน่ะ ข้าเข้าป่าล่าสัตว์ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเจอท่านน่ะในตอนเช้ามาคราวนี้ขากลับท่านก็ยังแส่ไม่ให้ข้าเห็นอีกท่านน่ะจงใจสร้างความวิบัติให้แก่ข้าชัดๆจาว่าไม่มีเวรมีภัยยังไงได้ไม่เอาอย่ามาอ้อนบอนเลให้ยากเลยพวกคนยอดกาลกินีอย่างท่านเนี่ยสมควรจะตายด้วยคมเขี้ยวสุนัขถึงจะประเสริฐข้าจะให้ฝูงหมากระหายเลือดของข้ากัดกินท่าน ว่าแล้วพรานผู้ชั่วร้ายก็ร้องยุแล้วก็ไล่ตอนสุนัขล่าเนื้อทั้งฝูงให้เข้าสังหารระเถระทันทีฝ่ายพระคุณเจ้าเมื่อเผชิญภัยเฉพาะหน้าเห็นป่านนั้นแล้วก็ให้รู้สึกหวาดหวั่น่านพึงเป็นกำลังท่านก็รวบรวมเรียวแรงที่มีรีบปีนป่ายขึ้นไปหลบบนต้นไม้เตี้ยๆแห่งหนึ่งเพื่อหนีการไล่ล่าของสุนัขในทันใดแม้ว่าไม้ต้นนั้นจะไม่สูงมากนักคือสูงชั่วบุรุษหนึ่งหรือ ว, ว่าพอท่วมหัว แต่มันก็เป็นสถานที่หลบภัยจากสุนัขของพระบิษุรูปนั้นได้เป็นอย่างดีผงหมานรกเมื่อไล่กัดพระไม่ทันเพราะท่านหนีขึ้นต้นไม้ซะก่อนพวกมันก็กระจายกำลังกันเข้าล้อมกรอบคูนต้นไม้เอาไว้แล้วก็หาว ห, หากันโชคอยู่อื้ออึงฝ่ายในพรานโกกะวิ่งตามมาทันแล้วเห็นรูปการเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งนึกกระยิมสะใจใหญ่กร้องตะโกนขู่อาฆาตพระเถระออกไปอีกเฮ้ แม้แกจะขึ้นต้นไม้ก็อย่าหวังว่าจะหนีพ้นความตายได้เออเออใช้ได้นี่พระคุณเจ้าแต่สุดท้ายก็ยังคงจะต้องตายในปากหมาอยู่ดีลองนี่หน่อยเป็นไงลูกสอนอันแหลมคมของกาวันนี้มันไม่ได้เสพเลือดสัตว์ป่าแต่มันจะได้กินเลือดสดๆจากฝ่าเท้าของคนอย่างแกคนการและกินนี้ว่าแล้วจอมโหดโกกะในพรานผู้มืดบอดก็พยายามใช้ลูกธนูในมือ เทียบแทงฝ่าเท้าของพระเถระเพื่อทรมานท่านอย่างไร้ความปราณีฝ่ายพระเถระรูปนั้นท่านก็ได้แต่อ้อนบอนโอุอย่าเลยโยมอุบาสกขอท่านอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าอย่าโปรดอย่าทำบาปทำกรรมนี้เลยแต่ในพรานโกกะกลับไม่นําพาไม่ใส่ใจในคำเตือนและคำร้องขอชีวิตของท่านผู้สงสีลเลย เขายิ่งนึกเห็นเป็นเรื่องสนุกแล้วก็สาแก่ใจที่ได้ทรมานตัวลกักกินกาลกินีของเขาเขาใช้ปลายลูกร อ, อันแหลมคมแทงกระนำที่เท้าพระรูปนั้นเป็นการใหญ่ฝ่ายพระกุญเจ้าผู้เคราะหร้ายเมื่อฝ่าเท้าข้างหนึ่งถูกแทงจนเกิดแผลเบวรวะเลือดไหลแทบจะไม่อาจจะฝืนยืนต่อบนกิ่งไม้ได้แล้วท่านก็เลยยกเท้าข้างนั้นขึ้นแล้วใช้เท้าอีกข้างเหยียบกิ่งไม้พยุงร่างกายไว้แทน แต่พอหย่อนเท้าข้างที่สองลงพรานชั่วก็ใช้ลูกธนูแทงเป็นแผลโชคเลือดอีกพอเท้าข้างที่สองโดนแทงเจ็บปวดเกินจะทนทานพระรูปนั้นท่านก็จำต้องเปลี่ยนเอาเท้าอีกข้างลงเหยียบพยุงตัวไว้แล้วก็โดนในพรานโกกะทิ่มแทงด้วยลูกธนูอีกรอบหนึ่งซ้ำแผลเก่าท่านโดนทรมานถูกแทงด้วยปลายศร อ, อยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บปวด เหลือจะทนแม้จะอ้อนวอนขอความเมตตาจากนายพรานใจโหดอยู่ปานใดเขาก็ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนเมื่อสองฝ่าเท้าถูกกระนําแทงอยู่อย่างนั้นเพลิงทุกขเวทนาอันร่าร้อนแรงกล้าก็บังเกิดแก่พระเถระจนท่านไม่สามารถจะคุมสติไว้อยู่เป็นเหตุให้ผืนผ้ากาสาวพัดหรือว่าจีวรที่คลุมกายหลุดร่วงลงเบื้องล่างและประหนึ่งว่าพระยาจยุมราชผู้เป็นใหญ่ในนรกภูมิท่านจะเล็งเห็นได้อย่างรู้แล้ว ในพฤติกรรมโฉดชั่วของคนอันธพาลและคงต้องการกระชากชีวิตต่ำช้าของคนโง่เขลาลงสู่ขุมนรกก็ว่าได้ก็เลยทำให้จีวรของพระภิกษุรูปนั้นหลุดเมื่อหลุดจากร่างของท่านตกลงมาก็พลันคลี่ขยายคลุมกายในโกกะตั้งแต่ศีสะจะรดฝ่าเท้าเลยทีเดียวฝ่ายว่าหมานรกตาทั่วทั้งฝูงของนายพรานโฉดมันเห็นเหมือนกันว่าสีเหลืองๆตกลงมาจากกิ่งไม้ ถึงพื้นดินแล้วเท่านั้นแหละพวกมันทั้งฝูงก็กระโจนโดยเร็วรุมกันเข้ากัดขย่ำร่างในโกกะซึ่งอยู่ภายใต้ผืนผ้าจีวรผืนนั้นอย่างดุเดือดเลือดพล่านกัดจนเจ้าของตายแล้วก็ไม่ยอมเลิกเพราะพวกมันเข้าใจว่าคนที่มันรุมฆ่าอยู่คือพระเถระและด้วยเหตุที่สุนัขร้ฝูงนั้นมีความหิวโหวยกระหายเลือดจนเกินขีด หลังฆ่ามนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันก็ได้ยื้อแย่งรุมกันฉีกกินเนื้อในพรานโกกะเจ้านายของมันเองที่เพิ่งจะโดนฆ่าตายเพราะเข้าใจผิดแล้วก็เคี้ยวกลืนลงท้องอจนอิ่มหนำขยําแทะฉีกสะบัดเนื้อและเครื่องในมนุษย์ที่ตายภายใต้คมเขี้ยวรุมกัดกินเป็นอาหารจนร่างนายพรานนั้นเหลือแต่กระดูกกล่าวถึงพระเถระเจ้าผู้ซึ่งพ้นเคราะห์มรณภัยมาแบบบุญวิต เวลานั้นท่านยังหลบอยู่บนต้นไม้ได้รู้เห็นแล้วก็ทอดทัศนาภาเพเหตุการณ์ชวนเสียวสยองนั้นโดยตลอดก็ได้เดบลงท ร, รมสังเวสหลดใจต่อชะตากรรมของนายพรานจอมโหดผู้ผทุสร้ายตนท่านได้หลบแล้วก็รังรออยู่บนต้นไม้นั้นจนกระทั่งสุนัขทั้งหลายอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็เห็นพวกมันทั้งฝูงออกห่างมาจากหีวอนออกมายืนเลียปากเลียแข้งเลียขาจับกลุ่มหยอกล้อกันอยู่โดยรอบร่มไม้นั้นหมดทุกตัว แล้วพระคุณเจ้าจึงได้หักเอากิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งกว้างสุนัขเหล่านั้นเหล่าสุนัขร้ายทั้งฝูงเมื่อมันแงหน้าขึ้นแลดูบนต้นไม้ก็เห็นพระเถระเจ้าก็จึงได้รู้ว่าคนที่พวกมันรุมฆ่าตายแล้วกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่พระหากแต่เป็นพรานเจ้านายของพวกมันเองสุนักเหล่านั้นเป็นสัตว์พอรู้ความอยู่โดยสันดานเมื่อสราบว่านายของตนตายแล้วภายใต้คุมเขี้ยวและการคุมฆ่ า, ารุมฆ่าของพวกมันเอง ก็พากันแตกหนีเข้าป่าไปฝ่ายพระเถระภิกษุรูปนั้นหลังจากผูงสุนทรร้ายหนีไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้ก็แต่ซากหน้าอาเนกอานาถของนายพรานโกกะพระคุณเจ้าเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่านายพรานจอมโหดได้ถึงแก่ความตายเพราะมีตัวท่านเองเป็นเหตุก็เลยเกิดความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งขึ้นว่านายพรานผู้นี้ต้องจบชีวิตภายใต้กาสาวพัชจีวรของเราแล้วสิ่งของเราจะไม่ด่างพร้อยแล้วเหรือ เมื่อเกิดความปริวิตกอย่างนี้ท่านก็ลงจากต้นไม้แล้วประคองทาแขันร่างกายอดกั้นต่อเวทนาเดินทางกลับสู่วิหารที่พำนักแล้วก็ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่า อ, อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโยมอุบาสกนั้นอาศัยจีวรหนองข้าพระองค์จิบหายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแล้วหรือพระเจ้าข้า สมณภาพของข้าพระองค์ยังจะคงมีอยู่หรือว่าสิบหายไปด้วยเหตุอย่างการตายของอุบาสกนั้นแล้วหนอพระศาสดาสดับถ้อยคําของพระเถระแล้วท่านก็ทรงตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการ เขาก็ประทุษร้ายต่อสู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันต่อจากนั้นเมื่อจะทรงประกาศที่มาที่ไปแห่งเนื้อความที่ทรงตรัสนี้ต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงเรื่องราวมีมอยู่เป็นเรื่องของบุพกรรมของงในพรานเหมือนกันว่าในอดีตการนานมาแล้วมีหมอยาผู้หนึ่งเที่ยวไปตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆเพื่อประกอบเวชกรรม คือทำการรักษาคนป่วยเพื่อแลกทรัพย์เลี้ยงชีวิตแต่เขาท่องเที่ยวอยู่เป็นเวลานานก็ไม่ได้มีใครว่าจ้างให้รักษาโรคหรือว่าประกอบเวสกรรมอันใดเลยหมอยาผู้ตกยากก็ถึงความอดอยากหิวหัวยิ่งหนักอยู่ต่อมาขณะเดินทางเที่ยวไปถึงหมู่บ้านย่านหนึ่งเขาได้พบเห็นเด็กๆลูกหลานชาวบ้านจำนวนมากกาลังจับกลุ่มเล่นกันอยู่ก็เลยคิดแผนการชั่วร้ายอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเดินทางมานานนักหนาแล้วไม่มีใคร จ้างรักษาโรคใดๆเลยก็เลยไม่มีเงินทองพอที่จะประทังชีวิตเอาละบัดนี้เราเห็นช่องทางแล้วว่าจะได้ทรัพย์มาด้วยวิธีไหนเราจะให้งูกัดเด็กๆเหล่านี้แล้วรักษาก็ย่อมจะได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อาหารเมื่อคิดแผนการอย่างนี้แล้วหมอยาพานก็เลยทำอุบายนำงูพิษไปใส่ไว้ในโพรงไม้ที่ไม่ลึกนักแห่งหนึง่งพอจะแลเห็นหัวงูที่ชูคออยู่ได้ไม่ถนัดนัก จากนั้นก็ทำทีรีบเร่งไปบอกข่าวดีแก่พวกเด็กๆ เ, เออนี่เด็กๆผู้น่ารักทั้งหลายในโพรงไม้นะ่ะมีลูกนกสริกานะพวกเจ้าใครอยากจะได้ลูกนกไปเลี้ยงก็จงไปล้วงจับเอาตัวมันออกมาจากโพรงไม้เถอะทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งตัวโตและเร็วกว่าใครก็ได้ยินเรื่องน่าดีใจอย่างนี้ก็รีบวิ่งไปยังโพรงไม้ที่หมอยาพาันนะบอกเขาเพ่งมองอยู่หน่อยหนึ่งก็เห็นหัวงูไม่ชัดนัก ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นหัวของลูกนกก็เลยล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้เพื่อจับมันออกมาแต่นับว่าเป็นโชคดีของเจ้าเด็กผู้ไร้เดียงสารายนี้เหลือเกินที่มือน้อยๆของเขาจับกำรเรข้าที่คอ ง, งูได้อย่างมั่นคงจากนั้นก็ดึงตัวมันออกมาจากโพรงเมื่อสัตว์ตัวนั้นพ้นปากโพรงไม้ออกมาแล้วเด็กน้อยถึงได้รู้ว่ามันคืองูไม่ใช่ลูกนกเด็กน้อยก็ตกใจมากร้องเสียงดังรีบสะบัดเหวี่ยงงูนั้นทิ้งไปทันที และงูพิษตัวนั้นที่เด็กน้อยสลัดทิ้งไปก็ไปตกลงกลางศรีรษะของเจ้าหมอยาเจ้าเล่ผู้ยืนอยู่ไม่ไกลนักพอดีงูพิษตัวนั้นได้ใช้หางและลำตัวเข้ามันกระวัดรัดเข้าที่ก้านคอหมอยาแล้วฉกกัดลงกลางศรีรษะเขาอย่างถนัดจนหมอยาเจ้าเล่จบชีวิตลงในที่นั้นเองและหมอยาผ่านจอมเจ้าเล่ที่ต้องตายเพราะเคราะกรรมทีต่ตัวเองก่อขึ้นนี้ในกาละครั้งนั้นก็คือในพรานโกกะผู้ที่ยุยง ส่งให้ฝูงสุนัข้ายไล่สังหารชีวิตพระในการลบัดนี้เขาบ่มเพาะนิสัยสันดานชอบประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายมาหลายพบหลายชาติแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ถึงความพินาศเพราะวิบากกรรมชั่วของตัวเขาเองพระบรมศาสดาเมื่อแสดงอดีตนิทานเรื่องนี้จบลงก็ตรัสพระคาถาพาสิทธว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนอรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส บาปย่อมกลับคืนถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพานนั่นเองเหมือนธุรีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปแล้วย้อนกลับฉันนั้นมาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกเรื่องสองหรือสีครับพระเจ้าคันธาระ กับพระเจ้าวิเทหะเนี่ยทรงเป็นพระสหายกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกันเลยต่อมาพระเจ้าคันธาระทรงสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ฝ่ายพระเจ้าวิเทหะเมื่อได้ทราบข่าวพระเจ้าคันธาร ะ, สะเสด็จออกบวชก็สเสด็จออกบวช ด, ด้วยเพราะทรงเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดีตามอย่างที่พระเจ้าคันธาระทรงเชื่อ ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระเจ้าคันธาระส่วนพระอนนท์นั้นเกิดเป็นพระเจ้าวิเทหะฤาษีทั้งสองอยู่อย่างสงบในป่าหิมพานต์เลี้ยงชีวิตด้วยการเก็บผลไม้ฉันแต่ก็ยังไม่พบกันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองจาริกไปในป่าหิมพานต์นั่นเองแล้วก็ได้มาพบกันชนิดคาดไม่ถึงแต่ก็ยังไม่รู้จักกัน ฤาษีทั้งสองถูกอัตยาสัยกันมากก็ตกลงพักอยู่ด้วยกันฤาษีวิเทหะเห็นว่าตัวเองมีอายุอ่อนกวา่าก็ทำหน้าที่บารุงดูแลฤาษีคันธาระคืนวันเพ็งวันหนึ่งฤาษีทั้งสองได้ชวนกันออกมานั่งสนทนาธรรมอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ที่นวลใหญ่ครูใหญ่ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดแสงจันทร์ค่อยๆหายไป โลกทั้งโลกดูเหมือนกำลังจะมืดมนฤาษีวิเทหะก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมแสงจันทร์ถึงหายไปอ่ะอะไรมาบดบังแสงจันทร์หรอือท่านคันธาระนั่นแหละคือพระราหูละ่ะราหูเป็นตัวการสำคัญตัวหนึ่งที่บดบังแสงจันทร์แปลกนะท่านอาจารย์เผอแพบเดียวราหูอมจันทร์ซะแล้วไม่แปลกหรอกนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ที่แปลกก็คือเราเห็นราหูอมจันแล้วเราคิดยังไงต่างหากละ่ะแล้วท่านอาจารย์คิดยังไงล่ะครับผมเห็นราหูอมจันแล้วก็คิดไปว่าดวงจันที่สุขใสนี้กลายมาอับแสงไปก็เพราะราหูมาทำให้มันอับแสงตอนนั้นผมยังเป็นคารวา์อยู่ผมก็นาราหูมาเทียบกับราชสมบัติก็ทำให้มองเห็นไปว่าราชสมบัติก็ทาให้เราเศร้าหมองได้ เพราะเราเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติก็ย่อมมีทั้งความยึดมั่นแหนห่วงความยึดมั่นนั้นบางครั้งก็ทําให้เรารักบางครั้งก็ทําให้เราโกรธเกลียดครั้นคิดเทียบปลาหูเหมือนราชสมบัติอย่างนี้แล้วก็เลยคิดหาทางพ้นไปจากตัวการที่ทําให้เศร้าหมองนี้ในที่สุดก็เห็นว่าการออกบทเป็นวิธีที่ดีที่สุดทันทีที่ได้ยินฤษีคันธาระพูดอย่างนั้น ฤาษีวิเทหะก็คิดถึงสหายเก่าท่านอาจารย์ท่านคือพระเจ้าคันธาระใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์คงจําผมได้เธอเป็นใครกันน่ะก็เพื่อนเก่าของท่านไงล่ะพระเจ้าวิเทหะแห่เงเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะนั้นยังไงอ่ะอู้เพื่อนรักนับแต่นั้นฤาษีทั้งสองก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นต่อมาฤาษีทั้งสองประสงค์จะลงมาอยู่ในถิ่นมนุษย์ จึงชวนกันเดินทางมาที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งชาวบ้านเห็นกิริยาอาการของท่านแล้วต่างก็เลื่อมใสเพราะว่าสงบและเรียบร้อยจึงมาหาแล้วก็ถวายตัวเฝ้าอุปถัมภ์แล้วก็นำอาหารมาถวายเป็นประจำแต่อาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายนั้นไม่แน่นอนบางคราวก็มีรสชาติอร่อยบางคราวก็จืดชืดคราวหนึ่งชาวบ้านนำเกลือมาถวาย ฤศีวิเทหะฉันแล้วเกลื อ, อยังเหลืออยู่จะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอาใบไม้มาห่ อ, อกเก็บไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปรุงอาหารฉันในวันที่ต้องการจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งฤศีทั้งสองบินถบาทได้อาหารจืดมาฤศีวิเทหะก็นึกขึ้นมาได้ถึงเกลือที่ตนเก็บไว้ก็เลยนําออกมาปรุงกับอาหารแล้วก็แบ่งให้ฤษีคันธาระฤศีคันธาระเห็นแล้วก็สงสัยก็ถามว่า วันนี้ไม่เห็นมีใครถวายเกลือมาเลยแล้วเธอไปได้เกลือมาจากไหนอ่ะท่านอาจารย์เมื่อวันก่อนนี้ชาวบ้านเขาถวายเกลือมามากผมก็เลยเก็บส่วนหนึ่งที่เหลือฉันเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในคราวที่จําเป็นพอดีวันนี้ท่านอาจารย์และผมได้บินธบัตได้อาหารจืดมาผมก็นําเกลือมาปรุงในอาหารฤาษีคันธาระได้ฟังอย่างนั้นก็นิ่งเงียบอยู่คล้ายกับว่าจะใคร่ครวญถึงอะไรบางอย่าง ฤาษีวิเทหะเองก็รู้สึกแปลกใจจากนั้นฤาษีคันธาระก็พูดว่าสายเอ๋ยเธอสู้ยอมสละแคว้นวิเทหะอันมั่งคั่งออกมาบวชเป็นฤาษีโดยไม่มีสมบัติอะไรแม้แต่สิ่เดียวแต่บัตดนี้กลับมาเกิดความโลภในผงเกลือเสียแล้วฤาษีวิเทหะครั้นถูกตําหนิอย่างนั้นก็รู้สึกไม่พอใจก็ตอบโต้ไปว่าท่านอาจารย์ ท่านมัวแต่มาคอยจับผิดผมแต่ไม่เคยจับผิดตัวเองเลยท่านเองก็เหมือนกันแหละออกบวชเพราะว่าเบื่อที่จะสั่งสอนอบรมคนอื่นแต่บัดนี้ก็มา ท, ทําทีอบรมสั่งสอนผมฤาษีคันธาระได้ฟังวิเทหะตอบโต้อย่างนั้นก็ไม่แสดงอาการโกรธแต่อย่างใดก็บอกว่าสหายวิเทหะผมพูดไปตามความจริง เมื่อผมพูดความจริงด้วยความรู้สึกจริงไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดบาปก็ไม่มีเธอควรจะเห็นคนที่ชี้ถูกชี้ผิดให้เธอนั้นเหมือนกับคนบอกอุ่มรัพย์ใครก็ตามที่บอกเธอเช่นนั้นถือได้ว่าเป็นบัณฑิตเธอควรจะคบเขาไว้เพราะจะทำให้เธอมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยฤศีวิเทหะก็นั่งก้มหน้านิ่งคล้ายๆจะสานึกผิดแต่ก็ยังไม่สงบสักทีเดียวอ่ะ ก็ยังบอกว่าอืมไอการชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยคำพูดใดที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดคำพูดนั้นแม้จะมีประโยชน์มากแต่บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวเพราะจะทำให้คนฟังสะเทือนใจฤาษีคันธาระก็มองดูฤาษีวิเทหะด้วยสายตาที่อ่อนโยนแล้วก็เขยืบมเข้ามาใกล้พลางเอามือขวาจับที่หัวเข่าของฤาษีวิเทหะแล้วก็บอกว่าผมจะพูดอะไรนั้นก็ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก คนฟังจะโกรธหรือไม่ก็าตามหรือจะไม่รับฟังเลยก็าตามผมก็ไม่ว่าอะไรผมพูดด้วยความปรารถนาดีไม่มีจิตใจโกรธเกลียดเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บาปหรือศีวิเทหะก็นั่งฟังด้วยความสงบจากนั้นก็ยกมือขึ้นประนมไหว้หรือศีคันธาระแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านได้โปรดเมตตาว่ากล่าวผมด้วยเถอะครับผมขอโทษด้วยที่โกรธท่านเพราะว่าเผลอตัวไปอืม ดีแล้วที่เธอรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจในตัวผมแล้วฤาษีทั้งสองก็กลับสมัครสมานกันเหมือนเดิมต่อมาก็ได้ชวนกันกลับไปอยู่ป่าหิมพานทรือศีคันธาระได้สอนวิธีเพ่งกสินให้แก่ฤาษีวิเทหะจนกระทั่งฤาษีวิเทหะสามารถเพ่งกสินได้จนบรรลุฌานอภิญญาฤาษีทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในป่าหิมพานนั่นเองจนตลอดอายุไข ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมรับฟังคําตักเตือนของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าจะทําให้เราสามารถปรับปรุงตัวเองได้เหมือนฤาษีวิเทหะยอมรับฟังคําตักเตือนของฤาษีคันธาระแล้วได้บรรลุฌานสมาบัติฉะนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ